<c oughs> ที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ยึดพิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกล่าบเปลียนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหากการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้อง โดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำและยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจังเชเดเราจะยึดในหลักสมถะกรรมฐานสี่สิบประทานมีพุทธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัตินัานมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วย ให้จิตของเรามีพลังเพื่อมงที่จะทำจิตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอารัทธนาหรืออันเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธ า, าความเชื่อความเล่มงส ให้เกิดมีขึ้นในพรัฒนาใจคือกุศลธรรมประสงเชื่อมั่นในปัญญาตัตโโลของสมเด็ดจสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นการโน้มน้วจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดกิเลสอุตสาหะในการปฏิบัติอาการปฏิบัติสมถานต้ในเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาจจะมาอยากจะขอให้กระติเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลาย ในสิ่งที่ควรสังวรระวังการปฏิบัติสมาฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอย่าไปปราถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไปกว่าสมเด็จก็สัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระองค์ทรงสแสดงคำและชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติตำเนินตามลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโลตถาสตาทศตถาตตเปกันแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยังออกตัวถึงขนาดนี้สาสาวกในปัจจุบันหรือจะวิเศษวิโสยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติข้อมุ่งความสาเร็จในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โปรดจะได้ปล่อยเรื้อยหลงให้ใครทับกดถึงมาใช้อำนาจบังคับจิตใจของเราเราภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นเราไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พระพุทธเจ้ามาเป็นใหญ่ในหัวใจของเร า, าเพื่อดันบรรดาลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเราเลกพุทโธพุทโธเพียงแล้เลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้นี้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ เพื่อจะทำจิตใจของเราให้เป็นผู้รู้ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราทำว่าพุทธโธเป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้เดินเข้าไปสู่ความสงบเพื่อเป็นอุบายพลาดจากตามคิดที่มันวุ่นวายอยู่กับสิ่งต่างๆให้มารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุทธโธเสร็จ แ, แล้วว่าจิตรวมอยู่ที่พุทธโธจิต ก, ก็จะสงบสงบแล้วคำว่าพุทธโธจะหายไป ยังเหลือแต่สภาวะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายในจิตของผู้ภาวนาอันนี้คือจิตของผู้ภาวนาเป็นไปโดยสมัรชภาพในพลังของตัวเองในอีกทางหนึ่งเคยได้พบได้เห็นเช่นอย่างบางท่านไปเรียนกรรมาฐานแล้วก็ให้อาจารย์กรรมาฐานนั่นลงอัละมีการปลุกเสกสวดเจติอะไรเข้าไปให้ พอไปภาวนาแล้วเมื่อจิตจดมีสมาธิขึ้นมาบ้างในขนาดอุปจารสมาธิอ่อนๆก็ถูกอาถันวิชานั้นเข้าครอบพอครอบแล้วสติสตังไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของตัวเองได้กลายเป็นคนวิกลจรลิตไ์ใก็มีการปฏิบัติสมาธิตามหลักของพระพุทธเจ้านี้ ในขณะใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทำํำจิตให้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงถึงขนาดมรรคผลนิพพานเราภาวนาแล้วเราสามารถเอาพลังสมาธิเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางการงานทางโลกที่เรารับผิดชอบอยู่เพราะการทําสมาธิทําให้ผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะมีเจิตเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอํานาจของสิ่งใด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 ไม่ประมาททั้งงานตาในทางโลกในทางธรรมอันนี้จึงจะเป็นไปโดยถูกต้องแต่ถ้าภาวนาแล้วเจตเมีสมาธิแล้วทำให้เบื่อหน่ายโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อ ย, อยากอยู่กับครอบตัวอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องและความคิดเห็นนั้นไม่ใช่มันเป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นจริงของจิตใจแต่หากมีอานาจสิ่งหนึ่ง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 และไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไรมันมีความติดอยู่ในโลกอย่างไรผูก พ, พันอยู่ในโลกอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภายในจิตใจของเราได้อาสำหรับการตอบปัญหาในข้อนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ข้อที่สองก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติสมถานจำต้องขอกมรมฐานต่อพระที่สูสง ก่อนหรือไม่อันนี้จะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้แล้วแต่ความพอใจถ้าหากไปหาท่านอาจารย์องค์ใดถ้าท่านมีวิธีการให้ขอก็ขอแต่อย่าไปยึดแต่ถ้าอาจารย์องค์ใดจะให้กรรมฐานแล้วมาลงอัคระใส่ขมมแล้วอย่าไปเอาเป็นเดึกครับถ้าเพียงแค่ว่า ไปบอกปากเนื้อปากตัวขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอให้ท่านสอนก็มาฐานให้โดยไม่ต้องเกรง อ, อกเกรงใจทางใดที่จะให้เราได้ศิดย์ได้ดีแล้วก็ขอให้ท่านสอนถ้าอย่างนี้เอาถ้าหากว่าเรา <c oughs> เราไม่ต้องการที่จะขอจากใครก ำ, ำลังกาลังก็มีหนังสืออ่านก็มี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 จะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีในชาตินี้ต่อไปโดยไม่ต้องพะวงถึงกรรมเก่าในอดีตในชาติการที่จะรู้กรรมเก่าหรือกรรมอะไรในอดีตนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์การที่เราทําลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ได้ มีทางเดียวแต่ว่าเราเชื่อคำและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนคารชั่วในชาติอดีตนั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความรู้สึกสานึกกิดชอบชั่วดีแล้วและเชื่อกฎของกรรมแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็พยายามละเว้นจากความทำชั่วทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไป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 ถ้าว่ารมเก่าในอดีตมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเราทำในปัจจุบันให้มากขึ้นมากขึ้นรมใหม่ในนี่ในเมื่อสะสมเอาไว้มากมากเข้ามันก็มีพลังพอที่จะหนุนจิตให้วิ่งเร็วขึ้นในเมื่อผลคำใหมน่นี่มันดานจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้นรมเก่าที่วิ่งตามมามันก็วิ่งท้าลงมันทาให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไป ถ้าหากเราได้มรรคผลนิพพานแล้วถึงแม้ว่ากรรมเก่ามันจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะพัทุสร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้ปัญหาข้อต่อไปก <c oughs> ารเห็นนามโรคเกิดจากเห็นเป็นลักษณะอย่างไร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 ที่นามโลกเกิดจากหรือไม่จะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาในขณะที่เรากำหนดจิตจะทำสมาธิภาวนาลงไปพอกำหนดจิตทับลงไปเราจะรู้สึกว่าจิตของเรารู้ทั่วทั้งกายแล้วก็รู้เวทนารู้จิตรล้ธรรมโดยสัญญา เมื่อเราบริกรรมภาวนาลงไปแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิละเอียดลงไปลมหายใจก็ดับร่างกายที่ปลากปดอยู่ก็ดับคือจิตไม่สำคัญมั่นหมายในลมหายใจและกายเป็นว่าตายในลมหายใจหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่ระบบนิ่งเด่นอยู่ ในขณะที่จิตรู้พวกทั้งตายอยู่นั้นความรู้สึกในทางจิตไม่มีความเด็ดแต่เมื่อตายหายไปลมหายใจหายไปแล้วจิตสงบนิ่งลงไปปรากปุตติมคัดจิ๊แต่รูกหายไปหมดแล้วอันนี้ในลักษณะอย่างหนึ่งทีนี้ในอีกลักษณะอย่างหนึ่งเช่น และโยคะวาจารมาพิจารณาตายโดยแล้วลถึงความตายค้นฟ้าพิจรารณาไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงลงไปว่าตายนี่ตายลงไปแล้วแล้วกายของผู้ภาวนานั้นก็ ป, าปรากฏว่าขึ้นอื่นเน่าเปื่อยผุพังในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูก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 อันนี้ขอให้แนวคิดเพื่อเล่าเป็นปัญหาให้ท่านรับปฏิบัติหรือรับศึกษาทั้งหลายนําไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นการบ้านในขณะที่ผู้บริอภูผู้ทำสมาธิภาวนาหรือพิจารณาคำอะไรอยู่ก็ตามในขณะที่รู้สึกว่ามีกายอยู่รู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ ห้านามเลยลูกปรากดอยู่พร้อมหน้ากันเพราะกายปรากดมีจุดเวทนาก็ปลากดมีจุดสุขทุกข์อยางปรากฏอยู่เช่นอย่างโูกเกิดแต่ตีติก็เป็นภาวนาก็เป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อจละเอียดลงไปแล้วสงบละเอียดลงไปแล้วตายลมหายใจ ปลาสดว่าหายไปยังเหลือแต่จิตเจตไม่มีความรู้สึกว่ามีตายตายก็คือรูปนั้นก็ดับไปแล้วในเมื่อโลกดับไปแล้วเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดับไปด้วยอุเบกขาเวทนาจิงปลากดเด่นชัดขึ้นตัวนามคือจิตปลากดเด่นชัดขึ้น จึงมีคำพูดว่าโรคดับนามปึกโลกดับนามปึกส่วนท่านผู้อื่นจะมีความเข้าใจอย่างไรนั้นขอฝากเป็นการบ้านช่วยกันพิจรารณาอันนี้ไม่ขอตัดสินสำหรับปัญหาข้อที่สองเวลานั่งเจตภาวนาเจตยังไม่ถึงอุปจาระ กำหนดให้เห็นลูปนามเกิดดับเป็นปัจจุบันนัรนทำได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเพียงการปรับปรุงลบปรุงแต่งปฏิปทาเท่านั้นการกว่ก็นี่ลูกนี่นามโดยความตั้งใจโดยเจตนาอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติภาพปรุงแต่งปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ แต่แล้วปฏิบัติจาเป็นจะต้องพิจารณารูปนามด้วยความตั้งใจที่จะคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจิตนั้นจึงจะพิจารณารูปนามไปเองโดยอัตโนมัติอาจารหาอีกข้อต่อไป <c oughs> โรคคือร่างกายจะเห็นเกิดตับได้อย่างไรถ้าไม่ได้สมาธิถึงอัปปนาถ้าจะเห็นก็เนื่องเอก็เพียงเพียงกินตาหรือคิคาพะเนเอาเท่านั้นใช่ไหมข้อนี้ใช่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 จิตอยู่ในลักษณะแห่งอัปนาสมาธิเหมือนกันแต่ก็สามารถดูเครื่องรู้เครื่องเห็นภายในปรากุจเคลื่อนภายในจิตสิ่งที่จะให้จิตรู้สิ่งที่จะให้สติระลึกนั้นมีปรากุจอยู่แต่จิตก็มีอยู่ในลักษณะที่สงบเป็นอัปนาสมาธิทีนี้อัปนาสมาธิในเบื้องต้นนั้นเป็นแต่เพียงปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนทัศน ในเมื่อสมาธิผ่านเข้ามาในจิตไละจิตเป็นสมาธิบ่อยๆผ่านการพิจรนารณาหนักๆเข้าจิตนั้นจะมีพลังเมื่อออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกตัวการสำคัญก็คือสติที่จะตามรู้ตามเห็นการความรู้สึกนึกคิดนั้นๆแล้วแม้ในขณะที่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างละเอียดตัวส ต, ติตัวนี้จะ เป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตส่วนความเข้าใจอละเอียดนั้นขอปากนับปฏิบัติไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเอสมาว่าไปนีป้่าเพิ่มเชื่อเพียงแต่รับฟังถึงใดถ้าฟังแล้วเชื่อเลยเขาก็ว่างโงในเมื่อฟังแล้วปฏิเสธว่าไม่ใช่เขางโง่ีกเพราะฉะนั้นนับปฏิบัติทางศีธรรมต้อง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 ในแนวทางแห่งความนึกโดยใช้สัญญาความรู้ที่เราเรียนมามาเช็ดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราอาจจะคิดว่าโรคเภทนาสัญญาสังขารยิ่งยาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ถามปัญหาตัวเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็ตอบตัวเองไปถามตัวเองไป เพืสามารถที่จะควบคุมจิตให้นึกคิดยู่ในเรื่องเรื่องเดียวที่เราต้องการอันนี้เป็นการเจริญวิปัฒนาไปพร้อมๆกันแต่หากยังไม่ใช่ตัววิปัสนาในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตู้แจง้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นสิ่งที่เราพิจารณาว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างจริงจังจิตสงบเงี้งลงไปแล้วตัดสินขึ้มาว่านี่คืออันนี้จังไม่เที่ยงเป็นทุกติ๊ก อันนั้นจึงจะเป็นวิปัสสนาขณะที่เราพิจรารณาอยู่นี้เป็นแต่เพียงทราปฏิบัติเท่านั้นขอทราบที่เพียงได้ทราบอริยสัจสี่โดยสังเกตการสังเกตที่ได้ทราบอริ ย, ยสัจสี่ <c oughs> อันนี้จะขอเปลียนเพี้ยนจะตอบประสบก็ตามที่เคยผ่านมาในบางครั้งทุกในอริยสัจเป็นทุกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเพราะไปะบง่งชัดเจตุตรงที่ว่าโโกัสริเทวภกขะโคมณัตถ้าสิ่งที่ไม่มีจิตมีใจสิ่งนั้นไม่มีทุกไม่มีโคมณัตไม่มีความขับแคบใจ ไม่มีความพุกใจที่ได้การรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นั้นเราจะจึงสังเกตได้ในขณะที่จิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรลงไปแล้วเมื่อจิตไปสมบนิ่งในลักษณะที่ประจุมความของอริยมรรค คือศีลธรมารที่ปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่รวมจิตแล้วมีประจิตทธิภาพที่จะทำให้จิตของเรานิ่งดด่นสว่างสวัยอยู่ในขณะนั้นจิตจะมีสิ่งที่รู้ปรากฏผ่านเข้ามาเรื่อยๆแล้วเมื่อจิตการมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาถ้าจิตอยู่ในลักษณะของอริยมรรคประชุมพร้อมและอริยมรรคมีกาลังในขณะนั้น จิตจะไม่รู้สึกยึดถือไปถือสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจะไม่มีความหวั่นไหวอะไรผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปแยงแตะสัมผัสอาการที่จิตซึมซาบในอารมณ์นั้นไม่มีในขณะนั้นเราจะเพิ่มสังเกตได้ว่าถ้าสิ่งได้ผ่านเข้ามาถ้าจิตไปยึดนันก็เกิดความยินดี ความยินดีนั่นเป็นตามะตัญหาถ้าจิตไปถ้าจิตไปยินดีในสิ่งนั้นก็เป็นตามะตัญหาถ้าเย็ดในสิ่งนั้นก็เป็นภวะัญหาถ้าหากว่าจิตไม่พอใจในสิ่งนั้นคือเบื่อไม่ยินดีไปการยินร้ายก็เป็นวิภวิภวะัญหาแล้วเมื่อจิตมีตามตัญหาภวะัญหาวิภวะัญหาความตกมันก็เกิดขึ้น เพราะปัญหาเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อ น, นุตตรสังเกตอย่างนี้สำหรับผู้ที่เริ่มทำสมาธิใหม่ๆยังวางจิตไม่ถูกต้องทําให้ปวดเมื่อยไม่เบากายเบาใจต้องทําเป็นนานจักเท่าไรเจึงจะทําได้ถูกต้องทุกวันนี้ได้พยายามนั่งสมาธิทุกเช้าค่า ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สมาธิไม่มีเลยการนั่งสมาธิเช้าค่ำอาบุกเช้าค่ำประมาณครึ่งชั่วโมงวันหนยี่สิบสี่ชั่วโมงท่านทําสมาธิเพียงหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงทําสมาธิโดยเฉลี่ยแล้วเพียงหนึ่งชั่วโมง ยี่สืบสามชั่วโมงหรือชั่วโมงที่นอกจากเวลาท่านหลับท่านปล่อยความรู้สึกให้เป็นไปตามอารมณ์โดยปราศ จ, จากการทำสติเข้าใจว่ามันไม่ค้มค่าเวลาที่ปล่อยให้เสียไปแต่จะให้เสียกิดเป็นสมาธิได้เร็วให้เพิ่มเวลาเข้าไปอีก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 ก็ให้กำหนดตามรู้อารมณ์คือความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยความคิดอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดโลโลเฉยๆตัวโลเนี่ยเป็นตัวสําคัญตัวโูเนี่คือทำรรสติเราพยายามทำรรสติทุกอิริยาบถแม้จิตจะไม่สงบเป็นสมาธิอย่างตำราที่ท่านเขียนไว้ก็ตามเราจะได้พลังคือรรสติเพิ่มขึ้น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 เราย่อมรู้ว่าเรามีเวทนาในเมื่อรู้ว่ามีเวทนาจิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองทำก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของของจิตแลกายรละอีกอย่างหนึ่งทำในกาไรใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในมหาสติปัฏฐานเนี่ยส่วนมากท่านจะกำหนดเอานิวรน้า ในมากำหนดจิตลงไปรู้ว่ากายก็ย่อมรู้ว่ามีเวทนาสุขหรือทุกข์ตะว่าเวทนานี่มันเกิดจากกายที่นี่ตัวโลนั่นก็คือจิตในขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นที่เลยตัวใดมันเข้ามารบกวนเรายอมรู้อันนี้ในขณะที่เรากำหนดกายเวทนาจิตทำที่จิตยังไม่สงบ ในเมื่อเจิตสอบลองไปแล้วอยู่ในระดับขั้นอุปจารสมาธิเราจะรู้เวทนาเป็นสุขคือสุขเวทนาก็จิตในเมื่อมีเครื่องกำลนดกำดลังรู้กายกายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติทำให้เรามีสติดีขึ้นในเมื่อมีสติประครับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้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 สูญหายไปหมดยังเหลือแต่จิตนิ่งเป็นสมาธิสว่างสวัยเด่นอยู่อย่างนั้นในตอนนี้จิตเป็นกลางซึ่งเรียกว่าอุเบกขาคว า, ามรู้สึกของผู้ทำจิตได้ถึงขั้นนี้คว า, ามสุขจะไม่รู้สึกว่ามีคว า, ามสุขไม่รู้สึกว่ามีคว า, ามทุกข์มีแต่คว า, ามเฉยๆเป็นกลางจิตมีลักษณะ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 เมื่อจจตพิจรารณาการพิจรารณาความเป็นธาตุสี่ในเบ้ต้นให้ได้เฉพาะกายคือเรากาหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนตน้ตนๆเมื่อจิตพิจรารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟละเอียดลงไปถพิ่งะหนาที่ว่า จิตมองเห็นกายเนี่ยสลายตัวไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแลวประหายสาบสูญไปจิตยังเหลือแต่ความนิ่งว่างสว่างในตอนนี้จิตมันทิ้งวัตถุคือธาตุสี่ไปแล้วแล้วจิตจะไปอยู่กับป็ญญาณธาตุและอากาศธาตุ ความว่างเป็นอากาศธาตุโลเป็นวิญญาณธาตุตอนนี้เราพิจารณานามนามก็เพื่อตัวจิตทีู่้อยู่จิตู้อยู่เฉพาะตัวก็เป็นนามถ้าหากในขณะนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านก็มาเป็นเครื่องโลของจิตก็เป็นนามเพราะมันไม่ใช่วัตถุ เราจะนั่งการพิจรารจาธาตุสี่เนี่ยถ้าพูดเฉพาะแต่ธาตุสี่ก็ต้องพิจารณาเฉพาะดินน้ําลมไฟถา้าพิจรารณาธาตุหกใช้คำว่าพิจรารณาธาตุหกก็ต้องพิจารณาดินน้ำํำลมไฟอากาศวิญญาณถ้าทั้งหมดที่มันมีหกในประธาตเดินน้ําลมไฟดับไปแล้ว อากาศสภาวิต ญ, ญาณธาตุมันหายไปธรรมะอากาศไม่ใช่ลงเป็นช่องว่างในจิตในตอนนี้เนียเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะมองเห็นแต่ความว่างเปล่าในตอนนี้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วนักภาวนาขาดสมาธิไม่ดีให้หลงความว่างจะกลายเป็นโอภาษนิมิตเป็นวิปัสสุโรปกจิเลต ท่านให้กำหลดโล่ลองที่จิตตัวผู้โลถ้ากำหลอดจิตตัวผู้โลได้อย่างแน่วแน่จะไม่หลงความสว่างหรืออากาศสะาดันคร้ <c oughs> ในปัญหาข้อที่สอง <c oughs> ในการพิจารณาอาสุภะ <c oughs> ในขณะอุปจารสมาธิ ในมิีิปรากฏถ้าหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลของการพิจารณาหรืออยู่อย่างนี้เราพิจารณ า, าสุภาพธรรมฐานเราเปิดภาพนิมิตขึ้นมามองเห็นคนตายหรือสัตว์ตายอยู่ต่อหน้าแล้วลากแล้วมันก็ขึ้นเอือดเน่าเปื่อยปุกพังไปตามธรรมชาติตรงนั้นในที่สุดต้องสลายตัวก็เป็นอบายอันน็ก ซึ่งทำให้เราได้สติได้ความรู้ทีนี้ในเมื่อในตอนรอแรกๆนี่จิตของเราอยู่ในอุปจารสมาธิเราจะมองเียนนิมิตผ่านอกตัวของเราแต่เมื่อจิตโลภาพนิมิตรข้งรอบโลซึ่งเห็นจริงแล้วจิตจะน้อมเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยอัตโนมัติ ในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาเปลี่ยดกับตัวเองเนี่กล็ว่าสิ่งนั้นมันกระโดดเข้ามาในตัวเรานี่นี่ประสบการณ์ที่มาเจอเขึ้นนะเหมือนจับสิ่งนั้นกระโดดพับเข้ามาที่ตัวเราพอถึงตัวเราแล้วหายไปพอหายไปแล้วจิตเปลี่ยนสภาพสแสดงการออกกระโดดออกจากกายแล้วก็ไปส่องแสงส ว, ว่างลงมาดูกาย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 ก็หาศัยการพิจารณาในขั้นอุปจารสมาธิเป็นแนวนำไปก่อนแม้เรื่องวิปัสสนากรรมฐ า, านก็เหมือนกันในมิจิตมาพิจารณาอสุภากรรมฐ า, านนี่ในขั้นธรรมถ า, ากรรมฐ า, านนี่จิตมันจะโลเห็นอสุภาษได้มิตรหน้าอย่างชัดเจนและการพิจารณาสุภากรรมฐานนี่เอง ในเมื่อเจตพระอามีพลังแสกล้าขึ้นมันจะทำโหลดเอาเรื่องของอสุภาุณ์นี่ไปเป็นภูมิปัจจณากรรมฐานเพราะถ้าสมมติว่า <c oughs> มันเห็นในเม็ดสู่ข้างนอกความเปลี่ยนแปลงของนีเม็ดนั้นเช่นเห็นคนตายมันเปลี่ยนมาเป็นขึ้นอื่นมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็เนื้อหลังสึกพังไปกระดุกจลายตัวไป ถ้าจิตมันโลดอยู่เพียงแค่นี้มันเป็นเพิมของสมถรรมถารแต่ถ้าจิตมันไปกำหนดหมายว่าล่างนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันไม่เที่ยมมันไม่คงทนมันไม่สาวอปรากดขึ้นแล้วก็สลายตัวไปถ้ามันกำหนดอย่างนี้มันก็กลายเป็นนิสพัตรรมฐารในตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่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 ถ้าหากว่ า, าในการพิจรารณาสุภาในขณะประจาระสมาธินี้มิท่ปลาปฏเส้นหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ดผลจะให้ผลของการพิจรารณา เท่ากับพิจรารณาตายของตนเองหรือไม่อันนี้คาตอบก็เท่าเท่ากันกับพิจรารณาตายของตนเองเพราะจิตโลเซึงในนิมิตนั้นแล้วมันจะเอามาเทียบกับตัวเองอย่างที่อธิบายให้ฟที่นี้สําหรับแพทยที่เคยเห็นที่ทราบศพจนเกิดความใจสิ้นในการพิจรารณาจะเกิดความกดหู่ใจได้ช้ากว่าคนธรรมดาหรือไม่อันนี้ แล้วแต่สภาพของจิตบางทีอ่าในแทย์ที่ได้ศึกษาเราื่องสรีรวิทยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยก็ออนั่งหลับต า, าพับลงไปมันก็เห็นก็าเราเคยทำให้จนชินชำนาญแล้วถ้หาหากจะเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยให้เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยศึกษามาแล้วล่ะ ไมต้องมาว่าตามลำดับผมผลแล็บฟันหลังเนื้อเอ็นกระดุกบางท่านอาจจะบอกอาจารย์สั่งให้เอาหัวใจไปวิจัยบางท่านอาจจะถูกสั่งให้เอาเนื้อเอาเอ็นเอาส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึน่งไปวิจัยคนละชิ้นส่วนใครนความํานาญในการวิจัยอะไรก็ให้เอาอันนั้นมาพิจารณาในตอนแรกๆนี่เราอาจจะน้อมนึกตามสัญญาที่เราเคย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 สามารถเทีงตูหัวใจปอดตับอะไรต่างๆอวัยวะภายในนี่จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเสื่อมนิมิตขึ้นมานึกถึงหัวใจเห็นหัวใจนึกถึงปอดเห็นปอดนึกถึงตับเห็นตับนึกถึงอะไรหเห็นนั่นขึ้นมาเป็นนิมิตแล้วทีนี้ภายหลังมาเมื่อท่านปวดโลกถ้าหากสามารถเข้าสมาธิได้เร็ว แค่กำหนดจิตแห่งลงไปสมมติว่าเขาเป็นอะไรที่ปวดกำหนดจิตแท่งลงไปว่าจิตสว่างแล้วจะมองเห็นทายได้ตอบพองคนไข้ได้หละหว่ามันมีอะไรบ้างเรื่องบาอาจารย์เคยใช้มาแล้วแม้แต่ลุอาตมาเองก็เคยใช้ตรวจโรคตัวเองสมัยที่เป็นวันโรกเนี่ยทําสมาธิแห่งดูปอดของตัวเอง แล้วมันจะเห็นแผลอยู่พั้วขอดเพื่อเป็นการทดสอบให้มันได้ข้อเท็จจริงก็ไปใายเอสเทเร่ฉา้เอสเทเร่แล้วมันก็ปรากดว่าเป็นเป็นจุดโตขนาดเหรียญสลึงอยู่ตรงพั้วขอดสองอันนามภาพจริงที่มองเห็นสำหรับการตอบปัญหาข้อนี้ ตัวยุติเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไประหว่างการพิจารณากายกติให้เห็นเป็นเป็นพระไตรลักษ์หรือเป็นภาคสี่ือว่ากำลังเดินในอริยมรรคหรือยังการพิจารณานี่บริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีพิจารณาธาตุีก็ดีพิจารณาพระไตรลักษ์ก็ดีเป็นการเดินอริยมรรค การปรับปรุงปฏิปทาข้อปฏิบัติเดินในแนวทางของอริยมรรคแต่ในขั้นนี้เป็นแต่เพียง ก, การปรับปรุงตกแต่งข้อปฏิบัติเท่านั้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปรวมเป็นหนึ่งศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นจุดเดียวกันที่จิตเป็นหนึ่งสามารถปฏิวัติ จิตไปสู่ภูมิลู่ภูมิทรได้อันนี้เรียกว่าการประชุมร้อมของอริยมรรคการประชุมอริยมรรคนี้มีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิหนึ่งโดยไม่ไหวติ้งเกิดความสว่างสวยขึ้นมาเป็นจิตที่มีพลังเพียงแต่มีพลังคือมีกำลังสามารถทรงตัวอยู่ได้ในในสภาพปกติ แต่ยังใช้การไม่ได้ทีนี้ถ้าอริยมรรคนี้มีพลังพร้อมสติพละตัวนั้นกลายเป็นสตินสีเมื่อสติตัวนี้เป็นสตินสีเมื่อไหร่แล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิความรู้แลนะสามารถที่จะประพองตัวอยู่ในสภาพเป็นหนึ่งตลอดเวลาแม้ประสบกับอารมณ์อะไร จิตจะไม่เย็กถือในอารมณ์นั้นๆและความรู้สึกในขั้นนี้แม้รู้เห็นอะไรขึ้นมาภายในจิตจิตจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่แต่ว่ารู้อยู่เฉยๆอันนี้คือลักษณะของธรรมะของจริงเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติในขั้นละเอียดทีนี้ในเะมื่อ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 ลองปฏิบัติให้มันรู้เห็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับบ่อยเข้าทีนี้ในเมื่อจิตมีสิ่งโลดเกิดเกิดดับเกิดดับติดตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาความรู้สึกนี่มันจะค่อยปฏิวัติไปสู่ภูมิแห่งพระใจรักมันจะกำหนดรู้ความเกิดดับเกิดดับนั่นคืออ น, นิจจังปุขังอนัตตาแล้วเมื่อมันไหวตัวพับเกิดความคิดขึ้นมา มันจะเกิดความโลภกันมาบอกอ้อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นภูมิเป็นอนัตตาอย่างนี่หนอนี่จึงจะเกิดเรื่อเรียกเรียกว่าภูมิปัจฉนามันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะเลิกว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นุกมิอันนี้เป็นอนัตตาเลิกจนตลอดวันยั่งําและอาการแห่งความไม่เที่ยงเป็นภูมิเป็นอนัตตาเกิดขึ้นในจิตตลอดวันยั่งํา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 เพราะเราหายสงสัยในข้อที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการกำหนดวิปัสสนาเนี่เราควรจะกำหนดวาระที่จิตสามารถแก้ไขปัญหาข้อข้องใจให้สงบไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงอันนี้คือวิปัสสนาความรู้นี่แม้จะเกิดขึ้นมากมายสักเท่าไหรก็าตามแต่ถ้าจิตยังไม่ตัดสินวิปัสสนาไม่เกิด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 เราจะไม่พบสองจิตมันจะไปหลงความราู้หลงนิมิตรข้อที่สองจิตที่เป็นถีติโพตังเป็นโลกุตรละจริตหรือยังขั้นมากหรือผลถีติโพตัง ทีติแปลว่าตั้งอยู่โพตั้งแปลว่าความเป็ น, น, นจิตที่ผ่านการพิจาริาสมาทากับมาฐานก็ดีวิปัสสนากับมาฐานก็ดีในเมื่อจิตโล่งแจ้งเห็นจริงแล้วจิตจะมีะลักษณะนิ่งเด่นอยู่เฉยๆถ้าเห็นโลกจิตตวนิ่งเด่นอยู่เฉย ความนิ่งเด่นอยู่เฉยๆของจิตนี่ไม่หวั่นไหวตามอาการความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรู้อันนี้เรียกว่าสิติคือความตั้งอยู่สิ่งที่รู้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือปูตังถ้าโพูดถึงว่าพรมความโลคันนี้ถึงขั้นโลกุตระจิตหรืออย่าง ถึงทั้งโลกฎตะะจิตถึงทั้งโลกียะจิตโกลมความโลนี่เราสามารถที่จะโลได้จนกระทั่งถึงภูมิของพระอรหันต์โลกีโลกฎตะละทัน้นกำหนดเอาความเป็นของจิตเจ็ดโลแล้วเช่นอย่างว่าเจ็ดโลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่ท่านอัญญาโกลทัญยารู้ทับ ในเบอร์โลเมื่อโลแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงสามารถตัดสังโยชน์ได้ในเมื่อตัดสังโยชน์ได้โฟมจิต ก, ก็ขึ้นสู่โลกุตระแต่โฟมโลเนี่ยโฟมโลเนี่ยเป็นได้ทั้งโลกีในโลกุตระแต่ความเป็นนี่เรากําหนดเอาความเป็นของจิตเป็นสำคัญลักษณะการที่สู่ความเป็นเบิดโสดาบันนั้นหนึ่ง มีความรับตั้งมั่นในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ทอถอยรับฟังมัติของผู้พูดจะข็ฟังได้ใครผู้ผิดก็ฟังได้ผู้ถูกก็ฟังได้ไม่คัดค้านถ้าคัดค้านเห็นเข้าข้างตนเรียกว่าศักระยทิฏฐิถ้าปฏิเสธก็เรียกว่าเข้าข้างตน เป็นสกายะที่ฐิเพราะฉะนั้นใครพูดมาฟังได้โ้คิตรโสดาบันพิจารณาเอาเองแล้วเก็บไปในจิตอนในข้อที่สามในการจเจริญส ม, มาธิถ้าหากไม่พิจารณาใตรรับแบบความเป็นภาตุสี่ก่อนจิตจะข้ามไปเกิดปัญญาเป็นสีติสูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัย อัตามาขอฝาบอันหนึ่งไว้ให้ท่านทั้งหลายที่สูตรในฐานะที่ท่านเป็นหมออย่างเวลาคนโขกวางยาสลบเตี้ยพอเขาปื้นขึ้นมาแล้วพอได้โปรดถามว่าในขณะที่สลบไปนั้นจิตเป็นอย่างไรทางโรงพยาบาลโคราชอัตามาที่สูตรแล้วได้ได้มาสามอย่าง อย่างหนึ่งพอสลบลงไปแล้วคนไข้มืดมิดไม่รู้อะไรอย่างที่สองเมื่อสลบลงไปแล้วจิตออกจากล่างไปลอยเด่นอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างที่สามพอสลบลงไปแล้วจิตลอยออกจากล่างไปลอยเด่นอยู่ย้อนมองมาดูกายที่หมอทำอะไรอยู่นันรู้เห็นหมดในที่สุดมองเห็นร่างของตัวเองเป็นโรงกระดูก เพราะฉะนั้นการพิจารณาเจริญเอเ่ยการจเจริญสมาธิหากไม่พิจน า, นารณาพระไตรลักษณ์หรือความเป็นธาตุสี่ก่อนจะข้ามเกิดปัญญาเป็นสีติภูตังไร่หรือไม่อันนี้น่าแต่อุปนิสัยบางท่านพอพอเวลาผุ้โธพุทโธพุทโธจิตสงบลงไปแค่อุปจาระสมาธิแล้วก็เดินวิปัสสนาไปพวกพดเลยไม่ต้องลำบากท่านพวนั้นมีอุปนิสัย แต่ถ้าหากว่าขั้นภูดใดพาวนาทีใดแล้จิตแต่นิ่งอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาสักทีในที่สุดนิ่งๆแล้วมันเบื่อต่อความนิ่งมันเกิดเป็นจิตหด ห, ดหูอันนี้ให้พิจรารณากายจักตากสติหรือธาตุสี่เพื่อเป็นการปลดจิตให้มีกำลังทีนี้ถ้าหากว่าถ้าผ่านการพิจรารณาธาตุสี่จะได้ไเกิดปัญญาอย่างละเอียดขั้นสีติภูตัง นั่นนานเข้าจิตมันจะอ่อนกําลังลงในมาเจมันอ่อนกําลังลงแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้แลปลาปจิตหกหูต้องย้อนมาพิจารณาธาตุสีอีกเพราะฐานที่ตั้งสตินี่คือายเป็นประการสําคัญที่สุดเวทนาจิตทำเป็นนามมาทำถ้าจิตไปรู้แต่นามเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ได้กล่าวถึงโลก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 แต่ถ้าว่าจิตผ่านไปถึงขั้นที่มันไปกาหนดตูน้ำแล้วควรจะพิกย้อนมาพิจรารณาธาตุสีเพราะการพิจรารณาธาตุสี่เนี่ยมันทำให้จิตรู้เห็นคามสลายของวัตถุแล้วจะกลายไปเป็นโลน้ำมาำับคือโูกกายทาดแก้งแล้วกายหายไป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 โู้ที่เคยเป็นเบสโสดาบันรู้สกาาขาคามีมาแล้วในชาติตอนๆเมื่อเกิดใหม่เป็นมนุษย์ความเป็นอริยะแต่เดิมจะลากบขึ้นมาได้โดยธรรมชาติของความเป็นอริยะก็ปลากดตั้งแต่บันลโลกโสดาสกาาาิคาคาบาจนกระทั่งจิตนี่ละร่างนี้ไป สภาพจิตก็ยังเป็นระโสดาสกิทาทาอยู่เภพาะตัวรู้ที่อยู่ในจิตแต่อาการต่างๆนั่นยังไม่มีแต่เมื่อมาประสบเหตุการณ์ต่างๆแล้วโฟมความรู้ของระโสดาสกิธาคาจึงจะค่อยบังเกิดึแต่นิสัยสัญชาติญาณแห่งการไม่ทับาป พอเกิดมาแล้วพอรู้เดียงสาจนหมายเรารู้จักคำว่าบาปทันทีก็ปุ่มปสดาสกิทาชาเป็นโลขรุตลธรรมย่อมไม่มีเสื่อมผู้ที่สําเร็จปสดาบันแล้วนี่ถ้ายังไม่สําเร็จอลหันในชาตินั้นตายไปแล้วมาเกิดอีกชาตหนึ่งสําเร็จอลหันบางท่านมาเกิดอีกสามครั้งสําเร็จอลาหัน แต่บางท่านเกิดจางมากไม่เกินเจ็บครั้งสำเร็จพระอรหันต์นีลักษณะของเะโสดาบันเป็นอย่างนี้รอตตละธรรมที่ใครถึงแล้วคือความเป็นเะโสดาบันแม้เกิดอีกเท่าไหร่กีชาติกี่ภพคุณธรรมมันนั้นไม่เสือ่อแต่อาการที่แสดงออกนี่มันหเด้าอปอยู่ในจิตตัวผู้รู้ ในเมื่อมาได้ยินได้ฟังผ่านอะไรขึ้นมานี่ของเก่านี่มันจะปุบขึ้นมาแล้วแสดงอาการรู้ออกมา ท, าทันทีอันนี้เพื่อจะให้ได้ความทัดที่ว่าความเป็นอริยแต่เดิมจะปลาบดขึ้นเมื่อใดและจะทราบได้อย่างไรอันนี้ปลากดขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มโลดเดียงสาขึ้นมา พอรับรู้อะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะแสดงอาการปลากุฏแต่สภาวะความเป็นพุทธะผูร้รู้ในผูกขั้นประสูดานี่ไม่รู้จักเสือมผู้ที่เคยเป็นโสดาบันในชาติก่อนถ้าเกิดใหม่เป็นเดียรัตฐานจะเป็นสัตว์กินเนื้อหรือไม่อันนี้ถ้าหากว่า พระโสดาบันนี่ที่ไปปรากฏว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ดูมันไม่มีในตันดามีแต่ไปเกิดเป็นยักษม์มีเกิดเป็นยักษม์มีแต่ว่าความละเอียดยไม่ได้จบจังทีนี้ถ้าหากว่ า, าธรรมชาติของผูนั้นเคยกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อ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 การกินเนื้อไม่ทําให้ผู้ปฏิบัติคือทำเสื่อมจากคุณธรรมอันนี้มีปัญหาอยู่ว่ามีบางท่านถามว่าการกินเนื้อสัตว์นี่เป็นการส่งเสริมปานาติบาติหรือไม่ทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาโดยหลักธรรมชาติของของมรุษ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 พระภิสกษุจะต้องอาบัติหนึ่งสงหนึ่งต้องอาบัติพ่อแกล้พอแก้งต้องอาบัติประการที่สองสงสัยแล้วขืนทําลงก็ต้องอาบัติจะอย่างสมมติว่าเขาทําขับข้าวมาด้วยเนื้อแล้วก็มาสงสัยว่าเขาแกงเนื้อมาลดมาให้เราฉันทั้งท้านี่สงสัยอยู่แน่เลยพอฉันลงไปแล้วก็ต้องอาบัติกบกบ อไนนี้กว่าสงสัยแล้วฝืนทำลงเพราะฉะ น, นั้นการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปสงสัยถ้าเราเกิดละแวงสงสัยอยู่แล้วเราจะไม่พบความจริงเพราะฉะ น, นั้นปัดข้อข้องใจสงสัยเอาไว้ก่อน อ, อีกอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าให้ละความทั่วประพฤติความดีที่นี้การละความทั่วเนี่ย การละความทั่วตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าในเมื่อคําสั่งนี้เป็นคําสั่งการละความทั่วนั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะละความทั่วที่จะพึงละได้ด้วยความตั้งใจสําหรับคระฤหัสทั่วไปมีศีลห้าข้อ หากใครจะละกิเลส้วยความตั้งใจให้ละตามหลักของศีลห้าข้อปฏิบัติศีลห้าข้อให้บริสุทธิ์สะอาดได้ชุวะละความชั่วอย่างเด็ดขาดเพื่อจะเป็นการรักษาความดีอันนั้นต์ไว้ให้มั่นคงใน จ, ใจิตใจท่านสอนให้ทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วเพื่อให้ใจตั้งมั่นต่อการประพฤติความดี จะว่าเป็นความดีที่นี้ทำปัญญาให้เกิดปัญญานั้นถ้าเมื่อเกิดแล้วทําให้ผู้ปฏิบัติรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสุขนี้มาจากเหตุอะไรผู้นี้มาจากเหตุอะไรแล้วทําอย่างไรจิตใจจึงจะบริสุทธิ์สะอาดกิเลสภายในใจนี่ไม่มีใครตั้งใจละได้นอกจากจะทันสิ่ลสมาธิปัญญาให้ประจุมพร้อมเป็นอริยมรรค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 เมื่อจิตอาศัยคุณธรรมก็บศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคจิตจะย่อมรู้รู้ว่าการอยู่กับสิ่งนี้มันสงบเยือกเย็นสบาย